ทำดีทำต้องต้องตอบยังจำในใจรักชัวทำดีทําใจให้ใสชีวิตลํตายจะได้ไปสู่สวรรวันนี้เคสสดีของข่าใครอย่าแตะเป็นเคสที่ตัวเลขสวยมากเลย เก้าเก้าเก้าในวันศุกร์ที่สิบเก้าอือฮึภรยาหลวงอืมเป็นตำแหน่งที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนปรารถนาอ่าไมงั้นแหละ <c oughs> แต่เพราะคุณสามีให้มา <c oughs> จึงกลายมาเป็นตำแหน่งประจำตัวที่ลูกไม่ต้องการเพราะว่าถ้ามีหลวงก็ต้องมีนอ้นอยมันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าภรรยาคนเดียวโอเคสุดที่รักมีหลายคนได้แต่รักที่สุดต้อง<ค>นในคนเดียวนี่แจลูกเลยรู้สึกว่าความสุขงดส่งบัตรเชิญให้ตั้งแต่นั้นมาคาว่าสมองต่อสู้กับจิตใจคงจะเป็นคำที่บรลยากว่ารู้สึกลูกได้ดีที่สุดในตอนนั้น จะกทํามาพบธรรมมอสสวดจงครูไม่ใหญ่เยียวยารักษาใจเติมเต็มกำลังใจจงกลายเป็นความสุขใจในจักรวาลเลยค่ะ อ, อ, อืมเคยขึ้นไตเติ้นมีครูไม่ใหญ่ดี อ, <c oughs> อลเลสสุดขีดเลยยุดลักบ้านรูปเปิดเป็นร้านเสริมสวยคือคนได้สวยมาแล้วมาเสริมไม่มีเสน่ห์เพิ่มขึ้น ถ้าคนที่มท้ร้านก็สวยมาแต่ดั้งเดิมอแต่บางทีไม่รู้ต้องให้ลูกบอกเขาว่าสวยแลูกเองดลองตําแหน่งในร้านครบทุกตําแหน่ง <c oughs> อื <c oughs> เป็นทั้งผู้จัด ก, การร้าน <c oughs> เป็นทั้งเจ้าของร้าน <c oughs> เป็นช่างเสริมสวยคนดีแล้วก็คนเดียว <c oughs> อีกทั้งคอยเก็บสตางค์อีกด้วย <c oughs> อืม เหตการณ์ก็จเจริญขึ้นเป็นลำดับจะลูกต้องไปหาสาวช่างเสริมสวยมาช่วยเสริมงา น, นเสริมไปเสริมมาจากเสริมสวยก็กลายเป็นเสริมเสีย <c oughs> ลูกจะโทษใครไม่ได้เลย <c oughs> นอกจากโทษตัวเองเ <c oughs> พราะลูกไปหามา <c oughs> แต่ตอนนั้นลูกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราจะเอามาทำงานอย่างเดียว <c oughs> แต่ที่กลายเป็นเสริมเสียเพราะลูกก็เริ่สรมสังเกตว่า พฤติกรรมของสามีดาริ้งเริ่มจะเปลี่ยนไปเพราะผู้ใจยังมาเสริมสวยได้นั้นก็ต้องมีความสวยดั้งเดิมมาก่อนถึงจะแบ่งปันความสวยไปให้คนอื่นก็ได้ไม่รวยก็สวยได้แต่รวยยิ่งดีพฤติกรรมของสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มมีใจให้กับเธอส่วนเธอก็ดูท่าทาง<笑><笑>จะ alert ไม่เงิน ถ้าทางว่าก็มีใจไห้สามีเช่นเดียวกันลูกสังเกตถึงต่างคนต่างส่งใจจึงถามดาลิงเท ป, ปบุตรตรงๆว่ารักนี่ดาลิงเธอรักเจ้าผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าคำถามในะกำนาสามีในฐานะผู้ตอบก็สรภาพหมดแม หมดเปลือกหมดเม็ดแบบไม่มีความลับว่าถูกต้องเลยดาริง่งที่ถามว่ารักชอบผู้หญิงคนนั้นไหมรักจ้ามันน่าจะดีนะคนเรารักกันดีกว่าแต่วินิทีนะั้นตัวลูกใจหายวูบไปเลยอืมรู้สึก ตัวเองเหมือนว่าที่เชื่อขาดผึงลอยกว้างกลางอากาศแต่เมื่อตั้งสติได้หญิงถามก็ว่าดาลิงแล้วฉันบกพร่องตรงไหนล่ะตัวเองเขาบกพร่องตรงไหนทำไมจึงปันใจไปรักหญิงอื่นด a ลิง ไม่เลิฟสุดที่รักคนนี้แล้วหรือตัวตัวเองไม่รักเขาแล้วหรื <c oughs> อตัวตัวตัวต <c oughs> ัวเขาก็ตอบว่ายังรักเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าดาร์ลิงเป็นคนดีไม่มีข้อบอกพร่องอะไรเลยแต่บางคนละเรื่องนะันนะรักเธอก็ยังเต็มเสมอ <c oughs> ไม่มีเพราะความ ไม่มีข้าปกครองเธอรักครังเธอก็ไม่เคยพร่องฉันรักเธอเสมอแต่ว่าไม่อาจจะสามารถหาคาตอบได้ว่านี่ดูนะทำไมทาไมต้องไปรักหญิงคนอื่นอีกตอบไม่ได้จริงๆเลยช่วยตอบหน่อยควรตอบทุกคนตอบเอ้ยควรตอบยังไงดีนี่ตอบไม่ได้ทำไมต้องไปรักหญิงอื่นอีกเขาโยนคำถามมาว่า ทำไมทำไมต้องเป็นเราถึงต้องไปรักหญิงอื่นอีกแต่คําพูดขเขานี่มันเหมือนมี่โกนบาดใจลูกมากเพราะลูกรักเขาหมดทั้งใจเลยแต่เขาสิทำไมต้องให้ครูผู้ใหญ่มาเป็นนั่งบอกเนี่ยไปบอกกันเองสิใชท่ทั้งทั้งที่บอกว่ารักลูกหัวใจในสี่ห้องก็มอบให้ลูกหมดแล้วแต่ทําไมทําไมกลับไปมีหัวใจห้องที่ห้า พอมาไปเจอคนนั้นได้อีกก็ expectancy. ไปถานมันเองดจเนี่ยมาให้กูเป็นใหญ่ฐานนี่เอาหารือนี่นี่ถ้าลูกยังไม่รู้ว่าการแต่งงานแล้วเป็นทุกข์แล้วก็หรือใครนี่ยังไม่รู้เนี่ยนะจ๊ะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ลูกจึงนัดประชุมเรียกมาคุยพร้อมกันสามคนเลย เปิดฉากถามเธอตรงๆด้วยใช้คำที่ไพเราะว่าเธอรักสามีของฉันจริงหรือเธอตอบว่า yes <c oughs> ด้วยความที่ลูกอยากเป็นพันธมิตรกับทุกคนลูกจึงบอกสามีตอนหน้าเธอ ว, วา่าโอเคแปล ว, ว่า ตกลงตลงลูกอนุญาตแต่ของเงื่อนไขาสามประการคือนี่เป็นข้อตกลงของเราสามคนหนึ่งยาแสดงตัวว่าเด็กคนนี้เป็นภรรยาอีกคนของสามีสองต้องอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งสามคนห้ามแยกไปไหนใจเธอเด็ดจริง สามอย่าให้ลูกสาวหรือเพื่อนของสามีรวมถึงญาติพี่น้องรู้เรื่องนี้โดยเด็ดขาด อ, อรารู้กันแค่สามกับนักเรียนรุบานทั่วโลกฝ<อ>ันด้บเยทั่วโลก <laughs> ตั้งแต่นั้นลูกจึงรู้จักคำว่าเก็บกฎว่ามันสะกดอย่างไรและเก็บไว้ที่ไหน <Okay. S 2> แล้วไปกดตรงไหน เนื่องจากลูกต้องทำตัวให้เป็นปกติต้องไปแสดงออกว่าเด็กสาวที่เข้ามาทำงานอยู่ในบ้านเป็นภรรยาอีกคนของสามีต้องเป็นนักแสดงโดยธรรมชาติเรียกว่าใครมาก็ว่ากันไปบางครั้งเก็บกดมากๆถูกต้องอะ่าต้องแอบไปปล่อยโหออกมืออึดอาก็ต้องเอาอึดออก ออกมายังอดไม่ได้ดัชนีความเครียดสะสมทับทุ่มมากขึ้ น, นพูดเป็นภาษาวิชาการจุลูกเกิดอาการไมเกรนรักษาอย่างไรก็ไม่หายแต่รากว่าจุดสุดท้ายของความทุกข์ทนมาเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของความสุขใจอือโอ้โหคำนี่สุดยอดเลยเพราะก่อนนั้น แม่บ้านเขาลูกจะอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถเมขาาที่มาวัดพระธรรมกายลูกก็ไม่สนไม่ได้สนใจเลยแต่ตอนนี้ลูกกำลังถูกภาพผู้คนชุดขาวที่มาขึ้นรถเมขาวสนเข้าไปอยู่ในใจลูกเริ่มตามพวกเขามาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปีสองห้าหนึ่งหก ลรกๆเริ่มก็ไปไปมามาพิมพ์ผิดหรือเปล่าจะเนี่ยแต่ว่าเมื่อปัญหาคราบครัวรุมเราลูกก็มาวัดทุกอาทิตย์ oh. เราคิดว่าบุญเท่านั้นที่จะช่วยลูกได้วันหนึ่งไมเกรนกำเริบอย่างหนักลูกไปวัดไม่ไหวอาทิตย์ต่อมาไกลมิตที่วัดทราบเรื่องที่ลูกเป็นไมเกรนจึงแนะนำให้ไปพบกับคุณป้า ป้าบัวผันอืมเกิป้าจับแรงลูกแล้วก็บอกว่าเส้นตึงมากถ้ามาช้า ค, คนนี้ปากจะเบี้ยวโอ้โ ห, โ ห, โหครูน่าดูเลยจะนั้งก็นวดคลาย้นในลูกจนหายปวดหัวทันทีบุญชาน้ำพายได้พบหมอดีเป็นยัางวะเดียวกับที่สามี เธอพบหมอดีเป็นจางหวิเดียวกับที่สามีมก็เริ่มมีปัญหา<ม>กับเด็กคนนั้นเพราะเธอต้องการส่วนแบ่งเงินเดือนที่สามีให้กับลูกคนเดียว<ม>แต่สามียังลูกไม่อาจจะแบ่งให้เธอได้เพราะแต่ละเดือนก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้ว<ม>ไอ้ที่เธอจะมาเป็นที่รักกับตังการเน้มาเป็นบริยายคนเ้านั้น ไม่ได้ต้องการจะมาแบง่งเงินืองคนระบวัตถุประสงค์และด้วยความที่เธอมีบุคลิกเป็นที่ดึงดูดตาหน้าหลงไหลไม่นาน เ, เธอก็มีดาร์ลิงใหม่มชายคนใหม่ก็มาคบหาลูกก็สบายใจเพราะเธอเลิกกับสามีไปโดยปริยาย<อ>ด้วยสเสน่ห์ดึงดูดตางเธอรักของทั้งคู่ จึงกลายเป็นรักชั่วคราวชั่วคราวเหมือนรักชั่วคราวเหมือนฟันปลอมเราจะช้เปช่วงๆสามีาลูกและเธอจึงเป็นแค่คู่สร้างแล้วก็คู่สมน้ำหน้าคำ <c oughs> ว่าน้ำหน้าเธอบงแล้บให้ความสะใจบอกให้คุณผู้ใหญ่ อ, อ่านด้วย <c oughs> อ้าเอาตกลงอ่ะแต่อย่าไปทะเลาะ ก, กันนะ <c oughs> แค่ รักของสามีลูกและเธอรักของเธอเป็นแค่คู่สร้างคู่สมน้ำหน้าเท่านั้น อ, อ่านให้จบหมดแล้วเนี่ยล้วจะไปลุยกันละ่ะนี่เองเป็นปัจจัยส่งผลให้ดัชนีความเครียดลูกปรับตัวลดลงเหมือนหุ้นที่ล่วงลงมา <g ül> อาการปวดหัวก็ทุเลาลงตามไปด้วยเมื่อเธอจากไปส่วนสามี สังเกตว่าลูกมีอาการดีขึ้นและไม่ถือสารเรื่องราวที่ผ่านมาก็เลยฉวยโอกาสเพราะโอกาสอย่างนี้หายยากไปติดพันผู้หญิงคนใหม่ครั้งนี้ลูกโกรธมากไอ้ครั้งแรกก็ยังพอให้อภัยได้แต่อีกครั้งต่อไปมันทนไม่ไหวพอโกรธมากแล้วนี่ยไปคุยด้วยถูกต้องแจะ ใช้วิธีลงพรห ม, มทันโดยการอยู่ห่างๆกับเขาตะก็ชายตามองก็เรื่อยทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านไม่พูดไม่คุยไม่สนใจเรื่องใดนๆในในของเขาทั้งสิน้นลงพรห ม, มทันเป็นเวลาเจ็ดวันตั้งแต่วันจนันทร์ถึงวันอาทิตย์คราวนี้สามีกลับเป็นฝ่ายเครียด เป็นไมเกรนแทนพระเจอพรมมาทันอดีกว่าโย ม, มาทันนะ <c oughs> <c oughs> บวกกับปัญหาหนึ่งของเขาเข้ามาอารมณ์เราเขาเครียดหนักจนถ่ายเป็นเลือดอตัวเหลืองซีดเลือดออกในกระเพาะอาหารไม่หยุดลูกเก็บความโกรธเขาลิ้นชักไป รีบพาก็ส่งโรงพยาบาลคุณหมอรอดูอาการเลยบอกว่าถ้าเลือดยังไม่หยุดจะต้องผ่าตัดกันทีระหว่างนั้นลูกลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปแนะนำให้สามีนอนทำสมาธิเนกเึงมหาปูชนิยาอาจารย์ปุญญาอาจารย์เอาไว้เขาก็ทำตามอย่างง่ายๆแล้วก็หลับไป ไลฟ์ฟังภายหลังว่าเห็นมาหาภูชนิยาจารย์มหาพอถึงสี่ทุ่มหมอเข้ามาดกูการเห็นกุญยาจารย์มาหาก็พอสี่ทุ่มหมอเข้ามาดกูการซึ่งน่าแปลกมากไม่มีเลือดออกในกระเพาะสักหยดเดียวฝันเห็นกุญยายาจาร์ไปหาหมอจารก็งงกันไปตาๆมๆกันสามีเลยไม่ได้โอกาสในการถูกผ่าตัดและหายทันทีในคืนนั้นเอง นับเป็นความเหนือจริงที่ซ้อนทับอยู่บนเหตุการณ์จริงโอ้สุดยอดเลยเหนือจริงที่ซ้อนทับอยู่บนเหตุการณ์จริงทําไม่สามีเกิดศรัทธากระทันหันแบบไม่ติดเบรครวมมูลถวายทองคำเจ็ดบาทในวันเหล่ารูปเหมือนหลวงปู่ทองัมพีสองห้าสามเจ็ดราปีสองห้าสี่หนึ่งลวงพี่ตีลูกนับถือก็ได้มาบอกบุญสร้างพระ แกงกลางอุส่าห์สามื่นบาทช่วงนะั้นลูกทําธุรกิจขายขายตรงเด็กชายเขาไมิชั่นมา9ก้าหมื่นบาทโดกยังบอกสามีว่าลูกอยากจะสร้างพระสามีก็ไม่ขัดข้องลูกดีใจมากช่กนั้นก็ได้ทําบุญอื่นๆอีกทั้งบุญกรถินแปีปีคุณยายหนึ่งเอบุญหอชั้นหน<า>ึ่งเอบุญสาวแก้2 S. <S 2> สองเอต่อมาลูกก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัด แล้วก็ได้เห็นอศัศจรรย์นวันแก้วด้วยลูกเพื่อนปติใจมากที่แม้ไม่ได้อยู่ที่วัดจะยังเห็นได้บ่ายวันหนึ่งที่สภาในปี2544หลวงพ่อกําลัง น, นั่งสมาธิก่อนจะหลับตาลูกกระพรันเห็นรูปลองรูปลอหลงปูทองคํารอก็ึ้นมาบนยอดโดมหาธรรมกายใจดีกรดีอกดีใจเ ล, ล, ะกะเล็กๆเหมือนกะดีโดนน้ามันจึงสะกิดให้ลูกสาวดูคนในรอีิกร้ายคนก็เห็นเช่นเดียวกัน จึงพากันวิ่งออกไปดูแต่โดนครูไม่ใหญ่ดูโอว่าให้กลับมานั่งที่เดิมของจริงอยู่ตรงนี้หลวงปู่จลูกแกลาเทศะสายไปแทนแบบนี้หรอกสายไปเชียก็ออกไปดูที่ข้างนอกวัดซึ่งปกติไม่เคยหลวงพ่อท่านดูแบบนี้มาก่อนเลยอ๋อก็ดูไปงั้นๆ <c oughs> ดีกอ็อยู่เฉย พ่อหลูกรับราชการอยู่เบอรสวรรค์ขั้โลกจังหวัดสุขโขทยัยมีบรรดาศักดิ์เป็นท่านขุนสมัยนี้ทีเด็ดตำแนมเบอร์ท่านเป็นที่นับหน้าถือตามมากใครต้องการสิ่งใดก็ต้องมาขอคุณพ่อช่วยเพราะยอตำแหน่งสมัยก่มีศักดิ์ศรีในสังคมยิ่งกว่าการมีทรัพย์ดังสำนวนว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพยาเลี้ยงแต่ปัจจุบันกลายเป็นสิบพยาเลี้ยงไม่เท่าหนึ่งพ่อค้าคุณพ่อมีนิสัยชอบดื่มเหล้ามาก และต้มเล่าเืินขายท่านเสียชีวิตโดยโรคชรลาเมื่อยุติอายุ83ปีแล้วก็สิ้นใจด้วยอาหารคําสุดท้ายไปติดหลอดลมหายใจไม่ออกําลักแม่กับูกเป็นคนใจดีใจบุญฟังเทศควัดตลอดท่านเสียชีวิตด้วยโรคชะลาแต่หลังจากทานข้าคําสุดท้ายคําสุดท้ายเหมือนกันเลยก็คอตกสิ้นลมโมอายุได้93ปี พี่ชายต้องรูปมีชีพเป็นตำรวจมันที่เขาจะเดินทางออกจะกลายมนุษย์นั้นเบนเทาวจะกลายมนุษย์เขาเดินมาสุดนั่งบนเก้าอีอออ้ดูนะจา้าดูดูวิบากกันจังหวะ น, นั้นเิงปืนพกที่เน็บเอวเขาอยู่ก็ร่วงหล่นกระทบพื้นตามมาที่จังหวะที่สองอกลายปืนก็นลั่นเหนีนยวใครออกมาเอง กระสุนพุ่งเข้าทางด้านหลังทะลุหัวใจเสียชีวิตทันทีแม่นยังกระจับวาง oh. พี่ชายวันที่สองลูกตอนมีชีวิตอยู่เขาขายเหล้าโอ้โอ้ขายเหล้าบนดอยให้กับพวกชาวเขาที่จังหวัดตาก mm. เขาเสียชีวิตได้รอบสงลมโป่งฟอมวสูบบริจัดมากหลังจาเสียชีวิตได้สามันเรื่ อ, กองกี่ยวับบอกพี่สะใภ้สมุทรเสียงพระแล้วที่เป้พี่ชายค่ะ ค้นถามกรรมใดที่ทําให้สามีไปมีหญิงอื่นโลกสามีและหญิงเหล่านั้นเคยทําบุปกรรมใดร่วมกันมาคะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ไม่ให้ติดข้ามชาติได้อย่างไรจะต้องทําบุญใดเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรคะการที่สามีตั้งการไปหญิงคนอื่นมาเป็นภรรยายอีกคนโดยที่ลูกก็อนุญาตนั้นสามีจะมีวิบากกรรมตา่างจากผู้ชายที่มีภรรยาน้อยและปกปิดไม่ภรรยาหลวงรู้หรือไม่อย่างไรคะ เออปกปิดการอนุญาตรกรรมใดยึงทำให้ลูกปวดหัวไมเกรน <c oughs> จะแก้ไขได้อย่างไรบนใดส่งผลให้ลูกพบเจอหมอดีโดยจะหายขาดนหครับคนที่ปวดหัวข้างเดียวไมเกรนนั้นสร้างเหตุตายจาก <c oughs> <c oughs> คนที่ปวดหัวสองข้างอย่างไร <c oughs> <c oughs> เออโอ้ไม่รู้ไม่ใหญ่นี่นะโดนถามอะไรก็ไม่รู้ กรรใดยังกำให้สามีเลือดออกในกระเพาะ<ม>เาด็กๆเขาจึงฝันเห็นอื <Yeah. S 1> ย่าจานเ้็ด้สามีจึงหายได้เกี่ยวกับการฝันหรือไม่อย่างไร mm. สิ่งที่ลูกแล้วคนอื่นๆมองเห็นรูปหล่อหลวงปู่ทองคำาีซซคืออะไรที่หลวงพ่อกล่าวว่าของจริงอยู่ตรงนี้ลหลวงปนะู่ท่านลูกกระดาษเด็ท้าไม่เช่ อ, ออกไปดูอขิงเครืงนอก <laughs> นั้นนั้นนั้นเราจะมีวิธีสังเกต oh. Oh. <laughs> และแยกแยะอย่างไรได้ถูกต้องโอ้เข้าใจถามจะได้ทำไม่ผิด <laughs> กาละเทศาโอ้ oh, สุดยอดเลยไ <laughs> หนดูหน้าหนยโอ้ oh. Oh. Oh. <laughs> อายุเพิ่งสองหกมีหน้าเลหกหก อออืืคำถามนึกสุดยอดจริงแนหะคุณพ่อประกอบเพียรเป็นอย่างไรจึงได้เกิดมาเป็นผู้มียศในสมัยที่เขานับถือผู้มียศว่าเป็นใหญ่กว่าผู้มีทรัพย์ผู้ที่มียศหรือมีทรัพย์ที่ได้เกิดตรงยุค <c oughs> ที่เขานับถือกันนะ่ะเพราะประกอบเพียอย่างไร <c oughs> เออแล้วผู้ที่เกิดมา <c oughs> ไม่ตรงยุคนั้น <c oughs> ประกอบเพียรเป็นอย่างไร พ่อแมงลูกก่อนตายมีกตินิมิตยอย่างไรท่านตายแล้วไปไหนเดี๋ยวรับบนที่โลที่ไปให้หรือไม่นี่ก็ความได้ฝ่ามาถึงลูกบ้างคะพี่ชายคนโตเหตุใดปืนปืนจึงมีอารมณ์รั้นใส่เอ อ, เ อ, อจนตายตายพิจารณาชีวิตคร่ะออพี่ชายตายแล้วไปไหนถามกระทั้งอารมณ์ของปืนโอ้เป็นครูไม่ใหญ่นี่อ่านเลย อื่องนี้เป็นพ่อโอเคดูอังเป็นไปเจอคำถามงี้เนี่ ย, ยพิจารงที่สองก่อนตายมีกตินิมิตอย่างไรตายละเป็นไหนมีข้อความได้ฝากมาถึงลูกหรือครอบครัวเขาหรือไม่แล้วอย่างพิจารยชีวิตทสามวันที่ภัไปทาบุญสร้างพระโลหิตไปให้เขาเขาได้รับไหมมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรคะ ลูกและสามีมูพุทธนนทที่แล้วอื <c oughs> แล้วก็ถามคนเดียวหนึ่ง <c oughs> ยัางไงายัยางไงาก็เนาะ <c oughs> ยังรักอยู่ถึงถามแถม <c oughs> ได้สรามารรมีมา ก, กระมุขณนะอย่างไรมีผลกรรมปฏิบัติทรเป็นอย่างไรคะ <c oughs> จ ำ, จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ <c oughs> จำได้ รับตาฝ่ามืตูมตาเตินขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจจอืมเรามาศึกษาเคสตดี้กันเลยนะเจ้าสามีไปมีหญิงอื่นนั้นอื ม, อมก็เป็นกรรมใหม่ของสามีและผู้หญิงคนนั้นแต่แต่เป็นกรรมเก่าของลูกกรรมเก่าของลูกเองเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ให้สมาธิลูกเป็นผู้ชายก็ทําเงี้ยก็ได้เจ้าชู้แล้วก็มีภริยาคนที่สองอยู่ในบ้านโดยภริยาหลวงในชาตินั้นน่ะเขาก็ยินยอมแบบฝืนใจคล้ายกับตัวลูกในปัจจุบันนี้อาจารย์เขาก็เก็บกดเหมือนลูกที่เก็บกดเหมือนกันแหละตัวลูกทําเองเหมือนก็เป็นฝังสําเร็จเหมือนระเบิดเวลาที่เขาเซ็ตโปรแกรมเอาไว้ในตัว ถึงเวลาก็ตู้มแล้วก็เจองี้มันก็ดึงดูดให้มาเจอเหตุาการณ์อย่างนี้ด้วยจะแก้ไขลูกก็ต้องให้อภัยและให้โอโหสิกรรมใน เ, เรื่องราวทั้งหมดทั้งดาริ้งเทพบุตรที่บ้านและผู้หญิงคนนั้นจ้าอีกทั้งสร้างบุญทั้งบุญและอัติฐานจิตที่หลุดพ้นจากปิบากกรรมนี้จ้าทั้งทางศีลต่อหน้าให้ดีให้ดีต้องค้อนดองหรือค้อนเงินก็นได้เอาสักค้อนหนึ่งเลยจ้ะ การที่สามีไปมีหญิงอื่นในตัวลูกในฐานะเป็นภระยาอนุญาตพึงฟังพึงฟังสามีจะมีวิบา ก, กรรมแตกต่างจากสามีคนอื่นที่ปกปิดภรรยาหลวงไม่ให้รู้นั้นคือสามีก็จะมีวิบา ก, กรรมน้อยกว่าเยอะแค่ผิดธรรมแต่ไม่ผิดศีล พระตัวลูกอนุญาตผิดธรรมเนียมสามีภริยาจะต้องรักกันซื่อสัตย์ต่อกันผิดธรรมแต่ไม่ผิดศีล ค, คือข้อปฏิบัติที่จะพึงมีตาสามีภรรยากันะแต่ว่าไม่ผิดศีลข้อการมีเพราะตัวลูกอนุญาตเช่นหากสามี มีกรรมเจ้าชู้ชาติอื่นมาส่งผลให้เป็นผู้หญิง mm hmm. ก็จะมีกรรมนี้กรรมนี้สมมุติว่าความจะชูของสา ม, มีหรือชาติใดชาติหนึ่งมาส่งผลให้สา ม, มีเป็นเป็นผู้หญิง mm hmm. ก็จะมีกรรมนี้เป็นแค่กรรมเสริม mm hmm. นี่ mm hmm. ให้ตัวเองที่เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วจะอนุญาตให้สามีของตอนในชาตินั้นมีภรรยายอีกคนหนึ่งไว้ในบ้านเช่นเดียวกัน ตามทันไหมส ท, ทันนะจ๊ะคือถ้าไปเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเจอสามีอย่างยิ่งนี้นี่ยิงคืออดีตผู้ชายแต่ถ้าสามีปกปิดภรรยาหลวงใครปกปิดได้พุณฟังไว้นะจ๊ะ <c oughs> ก็จะถือว่าผิดศีลข้อกาเมย์อย่างแท้จริง <c oughs> การผิดศีลกามเมเช่นนี้จะทำให้ไปตกในอบายภูมิดังที่เคยกล่าวไว้ ในมินิซีรีเจ้าเจ้าไม่กล่าวเลยรียนที่นี้ไปหาอ่านเอาเลจ๊ะนี่โอ้ยสารพัดเลยไปดูแต่จ๊ะมินิซีรีใครทำงี้ไปดูก็ไปศึกษานะจ้าใครไม่ทําทำก็ไปศึกษาก่อนก็ได้ลูกปวดเออลูกปวดหัวไมเกรนเพราะความเครียดในการตั้งคมอารมณ์โกรธที่ ไม่หึงไม่หวงแต่ควงให้เห็นเห็นบริยานน้อยอยู่ในบ้านเดียวนเป็นเรื่องหลักเลยใะนดังนั้นเป็นเรื่องเสริม<อ> <c oughs> บุริษามากมับหมก่น่าจึงทาให้เจอหมอดีและสามารถหายขาดได้ถ้าตัวลูกรักษาเราไม่แจม่มใสรักษาจักรวาลไปแข็งแรงอีกทั้งมันทำทารักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นพระในตัวจะ ก, ก็จะหายขาดไปเลย โรคปวดหัวก็เกิดขึ้นจากหลายสายเหตุและกรรมหลากหลายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดจากทางกายบ้างเกิดจากทางใจบ้างไม่ว่าจะปวดหัวข้างเดียวหรือสองข้างจา้ะรายละเอียดมั น, มนเยอะเวลาไม่พอจ้ะเอามามาจากหลากหลายสามีเลือดออกในกระเพาะแต่ต่อมาหายได้เพราะความเครียดที่ภรรยามลงพรหมทานไม่ค่อยยอมพูดด้วยและกรรมสุราในปัจจุบัน มาร่วมกันแต่หาได้เพราะการนำสมาธิและบุญที่เคยสร้างมากหมูกันนะ<อ>ที่ฝันเห็ครูบาอาจารย์พระมีสายบุญกหมูกันะและครูบาอาจารย์มาส่งบุญจ้ะ<อ>สิ่งที่คนอื่นๆและตัวลูกได้เห็นรูปหล่อหลวงปู่ทองคำในปีพศ .2544 นั้นคือภาพกูส ล, ลนิมิต ท, ที่เกิดจากจิตที่มีศรัทธาภาษาทะเลื่อมใสในพระเดชคุณหลวงปู่จ้ะ<อ>แต่บางคนก็ไม่เห็นหรือเห็นคล้อยตา ม, <laughs> ตามกันไป แต่ได้ภาพของท่านก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นแหละที่แม่ก็ชอบกระเทือนภาพหลวงหมู่คณะนี่คืออนุภาพที่เกิดได้ตลอดเวลาที่จะแม่ก็ชอบกระเทือนภาพเหลืวงหมู่คณะดังในวันนั้นซึ่งกําลังประกอบพิธีบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายอยู่ใช่ก็ต้องประกอบพิธีบูชาครูพ่อนอย่าไปทําอย่างนั้นคุณพ่าเกิดมาในยุคที่คนนับถือยศมากกว่าทรัพย์นั้นเพราะท่านมีบุญที่เคารพผู้มีศีลมีธรรม สมณะชีพราหมณ์และผู้หลักผูใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักแต่ทําทานมันน้อยกว่ามาส่งผลจะจึงได้รับการยกย่องนับถือแต่ไม่มีทรัพย์มีทรัพย์น้อยส่วนผู้ที่มีทรัพย์มากกว่ามียศเพราะทําทานมามากกว่าการทําบุญด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่คือไม่กล้าอ่น้องกับใครแต่ก็ทําทานเรื่อยๆ ร, รวยแต่ว่าไม่มียศ ไม่ว่าจะเกิดในยุคใดสมัยใดจะมีทุกอย่างพร้อมก็ด้วยบุญที่ทำไว้อย่างถูกหลักวิชาในบุญญากริยาวัตถุสิบประการเป็นต้นใจ<ม>ดังที่สองสาวหนูแป้งอนบหนูอนามิที่ผู้ชาวิสัชนาไปแล้วนี่ใช่คนพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกคุมหา้าสมดังที่ใจท่านปรารถนาด้วย<ม>การต้มเหล้าดื่มเหล้ามาส่งผลใจแต่ที่ไม่ไปมหาเนรกเพราะมีบุญที่สงฆ์พระจุมจนท กับสมุนตามประเพณีน้นบ อ, อุ้มอยู่ไว้เจ้า mm hmm. ได้รับบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาท่นบอกว่าเกตแล้วเข็ตแล้วทุกจังเลยอยากจะพ้นกรรมจากโยมโลกนี้เจ้า mm hmm. เป็นแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาววดึงเฟสสาม mm hmm. นี่แม่เจ้าพ่อไปทางแม่ไปทางตอนเป็นมนุษย์เราเป็นสามีภรรยาในบฏิทิาไว้ในพุทธศาสนาตามประเพณีอย่างสม่ําเสมอ เวลาบทตทศิไปให้แล้วก็ยิ่งทําให้ท่านมีทิพ ย, ยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้ทั้งสาวทั้งสวยท่านบอกเพราะว่าโอ้ท่านมีความสุขดีมากเดินชมสวนและกาอนุโมทนาขอบคุณที่ทำบุญเทศน์ไปให้ท่านจ้ ะ, ะพิชางตัวเปลือยลั่นไสจนเสียชีวิตพระอะเพราะการรมที่เคยทําวิสามันฆาตกรรมและฆ่าตัดตอนทั้งในอดีตและปัจจุบันมาโดนส่งผลจ้ะ ตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมหนึ่งในจิตทิศเศร้าหมองอ้โหปวิบากกรรมปาณาติบาทจะเคยฆ่าคนไว้จ้ะกําลังถูกนใ น, นริยุบาลไล่ยิงยิงยิงโอ้ oh. ตายเกิดตาเกิดนับครั้งไม่ถ้วนจะทุกข์ทรมานมาก oh. ให้ธ บ, บุตรที่ไปให้บบอย บ, อยบุญจะได้ไปคอยอยู่ที่โยมวโลกจ้ะ <Okay. S 1> เมื่อพ้นจากมหานรกแล้วมาสู่โยมวโลกจึงจะได้รับบุญ mm. แต่เมื่อไหร่ก็คงอีกทานปิจารณิสสอนตายแล้วไปอยู่ในมหานรกขุมห้าทันที ในการที่ต้มสุราขายและเดิมสุราด้วยทําให้จิตเศร้าหมองมากส่วนบุญ ท, ที่ทิพไปให้ในภายหลังยังไม่ทันส่งผลจะไปรออยู่ที่โยมโลกจะได้รับต่อเมื่อผลจับมหารกและมาสู่โยมโลกเช่นเดียวกันเจ้ะไม่มีข้อความในฝ่ามือถึงครอบครัวจะเพราะกําลังโดนกรอกน้ํากรดสีดําร้อนแรงอยู่ทุกขทรมานมากอย่างไม่มีเวลาว่างเว้นเลยเจ้ะแต่ให้ทําบุญที่ทิพไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคออยู่ที่โยมโลกเจ้า ตัวลูกและสามีมาพุธทธันานที่ผ่านมากับเป็นกองสืบียงข้าวหมู่คณะซึ่งบางครั้งกับเต็มที่บางครั้งกับเต็มกําลังบางครั้งกับต่างกําลังแจ้ัวลูกและสามีกัเป็นสามีภริยากันเหมือนชาตินี้แหละแจะตัวลูกมีผลาการปฏิบัติทําได้เกิดถึงโดงทำใสใสพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ส่วนสามีที่มีดาริ่งเยอะในชาตินี้ก็มีผลาการปฏิบัติทําได้กระถึงโดนทําใสใสในชาตินั้นพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ แข็งเทปบุบเทปธิดามาจากดุสิตบุรีแต่ชาตินี้จะประมาทกวแต่ชาติเนี้ยสามีจะประมาทกว่าชาติที่ผ่านมา<อ>เพราะมาทําสมาธิตอนอายุมากดังนั้นตั้งเร่งทําความเพียรใ น, นดีจะได้กลับดุสิตบุรีได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบา ร, รมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตาติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ปัดกันเลยจ้าสาธุ ที่จะเป็นเรื่องราวของแคสต์ ด, ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้